สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับแนวทางการเตรมจิตเตรมใจของคนไข้หรือผู้ป่วยที่คุณหมออมารามลริลาท่านได้แนะนําไว้อย่างเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อคราวที่แล้วที่ท่านแนะนําไว้ดังนี้ว่าให้เริ่มต้นคุยกับคนไข้ก่อนเพื่ออธิบายและชี้ให้เห็นความเป็นจริงว่า ทุกคนต้องตายด้วยกันทั้งนั้นและการตายก็ไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยเสียก่อนจึงจะตายเมื่อยอมรับสัจธรรมข้อนี้แล้วก็ให้เปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าความเจ็บป่วยเป็นโชคเพราะทำให้มีโอกาสได้ทำแบบฝึกหัดได้ลงสนามซ้อมเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะลงสนามรบจริงครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นจึงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมสเสบียงเพื่อการเดินทางต่อในเวลาที่เหลืออยู่คือการอบรมใจหรือที่เรียกว่าภาวนาให้เกิดสติปัญญาเห็นความเป็นจริงของชีวิตเมื่อเข้าใจแล้วก็นำเข้าสู่การแนะนำวิธีการต่างๆตามที่คนไข้แต่และคนถนัดต่อไปคงไม่เป็นการยากเกินไปนะคะ ที่จะนำแนวทางนี้ไปใช้แนะนําบุคคลใกล้ชิดของท่านที่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หรือถ้าผู้ที่กําลังเจ็บไข้ไม่สบายอยู่เป็นตัวของท่านผู้ฟังเองดิฉันก็หวังว่าคําแนะนําต่างๆของคุณหมอคงจะเป็นประโยชน์ให้ท่านวางจิตวางใจต่อการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องจนสามารถที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปได้อย่างสงบสุขคะ่ะ สำหรับคราวนี้เรามาฟังเนื้อหาสาระตอนที่สองกันต่อมาดูสิคะว่าการฝึกสติเพื่อรักษาใจรู้อยู่กับปัจจุบันแต่ละขณะแต่ละขณะนี้มีค่ามีคุณมากเพียงใดท่านอาจารย์สิงห์ทองเคยเล่าให้ฟังถึงแม่ชีท่านหนึ่ง บวชตั้งแต่ยังเด็กเมื่อบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่างดีจนใครๆคาคาดเดาว่าเมื่อท่านตายไปคงไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วจิตของท่านคงยกพกภูมิไปเป็นเทวดาหรือพรหมเมืม่อท่านเข้าไวยชาราวันหนึ่งขณะเอาผ้านุ่มที่ซักเสร็จแล้วไปตากที่ราวเหลือบไปเห็นมแมลงเล็กๆ เ, เปียกน้าตายติดอยู่ที่ผ้า คนทั่วไปพบเหตุการณ์ทำนองนี้ก็คงจะขออโหสิกรรมว่าไม่ตั้งใจแล้วแผ่เมตตาให้บุญกุศลที่ได้กระทํามาช่วยให้มแมลงนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นและเป็นสุขเป็นสุขเถิดก็เป็นอันแล้วกันไปแต่แม่ชีหักใจจากมแมลงตัวนี้ไม่ได้มันมาเกาะอยู่ในอารมณ์ทำให้ใจหมองอยู่ตลอดเวลา ประเดียวประเดียวก็นึกถึงแตมแมลงตัวนี้แล้วก็ท้อใจเสียใจว่าดูเชียวหรือเราปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งบัดนี้ศีลบริสุทธิ์ประแวดระวังไม่เคยให้ด่างพร้อยเลยเจ้ากรรอะไรทำให้มแมลงตัวนี้เกาะติดผ้าแล้วเปียกน้ำจนตายไปจิตใจเศร้าหมองที่เคยภาวนาได้ก็ไม่สงบ พโมต์แต่นึกถึงมแมลงตัวนั้นที่เป็นต้นเหตุให้ศีลด่งพลอยครั้นถึงวาระที่เจ็บจะตายแทนที่จะกำหนดสติให้อยู่กับใจรู้อยู่กับขณะปัจจุบันใจกลับเกิดความท้อหม่นหมองจนกระทั่งหมดลมไปเลยไปเกิดในอบายภูมิพวกลูกศิษย์ที่นั่งฟังอยู่ประท้วงว่าไม่ยุติธรรมเลย ถ้าอย่างนั้นเราจะทำความดีไปทำไมท่านอาจารย์ตอบว่านี่อย่างไรที่พระพุทธองค์ทรงย้ำให้อยู่กับปัจจุบันให้ฝึกสติเพื่อรักษาใจรู้อยู่กับปัจจุบันแต่ละขณะแต่ละขณะอะไรที่ผ่านเป็นอดีตไปแล้วเหมือนรอยที่เขียนไปในน้ำเอากลับคืนมาไม่ได้ เขียนแล้วน้ำไหลพัดไปก็ลบหายหมดต้องรอจนเมื่อไรผลของมันเกิดให้เราประสบเป็นปัญหาเราจึงค่อยแก้ไขในขณะนั้นขณะนั้นแต่จะไปคลุ่นนึกถึงอดีตเพื่อหมุนเอากลับมาลบแก้ไม่ได้ทำนองเดียวกับหวันเม็ดอะไรลงไปในดินแล้วไปขุดขึ้นมาก็ไม่เป็นเม็ดเดิมแล้วเพราะมันเปลี่ยนแปลง เริ่มผลิใบเลี้ยงแทงต้นเป็นอะไรอะไรไปแล้วการปล่อยใจให้ไปนึกติดอยู่กับอดีตก็เป็นอันตรายอย่างนี้หรือถ้ามัวแต่ไปนึกถึงอนาคตอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ลงมือหวานไถไม่ทําปัจจุบันให้ดีก็ไม่มีประโยชน์ดี่ก็เหมือนกันถ้าใจของคนไข้คอยไปนึกถึงแต่อดีต หรือนึกถึงแต่อนาคตอยู่เรื่อยๆยิ่งกังวลว่าเวลามีน้อยสิ่งโน้นก็อยากทำสิ่งนี้ก็อยากทำใจเลยร้อนรุ่มกระสับกระสายไปหมดต้องคอยเตือนเขาเอาไว้ว่ากาหนดสติอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นตัวบ่งบอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าเราทำตรงนี้ดีก็เหมือนกับว่า เอาเม็ดพันธ์ที่ดีหวานลงไปพองอกเป็นต้นใบขึ้นมาย่อมให้ดอกผลดีสมใจถ้าไม่เตือนอยู่อย่างนี้อัตโนมัติของกิเลสดูดดึงใจมนุษย์ให้หยุดคิดไม่เป็นยิ่งป่วยไข้เป็นกังวลก็ยิ่งคิดมากยิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งซ่านเพราะไม่คิดด้วยเหตุผลแต่คิดไปด้วยอารมณ์รักอารมณ์ชังความคิดเลยไหลไปตามอารมณ์ คิดห่วงลูกห่วงงานห่วงในสิ่งที่ร้นไม่เป็นสาระทำให้จิตใจหม่นหมองคิดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คิดแล้วก็ยิ่งกระสับกระสายมากขึ้นตื่นกลัวต่อสภาพความจริงที่ตัวเองไม่มีเรียวแรงจะลุกไปได้ดังใจอยากอารมณ์ก็ยิ่งเตลดิดอยากไปตรงนั้นก็ไปไม่ไหวขยับตัวก็เจ็บแล้วลุกขึ้นก็เหนื่อยแล้ว ไม่มีแรงใจก็ยิ่งหงุดหงิดเพิ่มขึ้นเมื่อใจหงุดหงิดของรอบข้างที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าก็กลายเป็นความไม่พอใจไปทางนั้นมีแต่อกุศลหมุนวนเป็นพายุอยู่ในจิตใจทําให้รุ่มร้อนหงุดหงิดคับค้องวาจาก็กระชอกว่าคนรอบข้างให้เจ็บช้ำน้ําใจเหนื่อยท้อแท้ที่จะพยาบาลเรา กายกรรมก็ฟาดแขนฟาดขาทิ้งเนื้อทิ้งตัวด้วยความไม่ได้ดังใจก่อแต่วิบากที่เป็นอกุศลเต็มไปหมดเหมือนกับสร้างกรงขึ้นมาล้อมกรอบขังตัวเองถ้าใจเป็นอย่างนี้ก็เหมือนคุณแม่ชีที่กล่าวถึงมแมลงตัวน้อยๆตัวเดียวเกาะติดใจจนลื่นลงอบายภูมิไปได้ ท่านอาจารย์แก้ข้อกังขาของลูกศิษย์ที่ว่าไมยุติธรรมว่าแม้ขณะปัจจุบันเขายังรักษาใจให้เข้มแข็งอยู่กับความจริงไม่ได้เมื่อไปอยู่ในอบายภูมิแล้วคิดหรือว่าใจนั้นจะเกิดความเข้มแข็งได้ใจก็คงขาดสติฟาดงวงฟาดงาลเรื่อยไปพร่ำบ่นว่าดูซิไมยุติธรรมเลยในโลกนี้เราทําความดีมาตั้งเยอะแยะ ก็ยังต้องมาทุกข์ร้อนอย่างนี้ถ้าใจหมวัวแตกคล้ำครวญทุกโทมนัดอยู่อย่างนั้นมันก็หมองไม่มีวาระที่จะเกิดสติเกิดปัญญามาชักจูงให้เห็นหนทางที่ถูกที่ควรได้จิตใจเวียนต่ําลงต่ําลงบุญกุศลที่มีอยู่ก็คอยอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้เจิดได้เจอกันท่านอาจารย์ยกตัวอย่างอีกรายหนึ่งเป็นผู้ชาย เกิดมาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เติบโตขึ้นมาโดยไม่มีใครอุปการะอะไรที่จะทำให้ตัวสามารถเลี้ยงตัวได้ก็ทำทั้งนั้นไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษคอยตัวอิ่มมื้อนึงมีที่ซุกหัวนอนเป็นพอวันหนึ่งไปพบพระอรหันต์เข้าฝั่งท่านเทศก็เกิดความรู้สึกจับใจมองเห็นชีวิตของตนที่แล้วมา ถูกการเวลากินไปโดยเปล่าประโยชน์ก็เกิดความสลดใจได้คิดขึ้นมาว่าทำไมเล่าเราก็ไม่มีห่วงมีใ ย, ยอะไรตัวคนเดียวถ้าเราไปจัดการทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยบริจาคทานไปเสียแล้วมาขอบวชเป็นพระติดตามพระอาหารหันต์องค์นั้นไปประพฤติปฏิบัติเราก็คงพอสะสมสเสบียงกลางให้ตัวเอง มีความสงบผาสุกอย่างท่านคิดแล้วจิตใจก็ปิติอิ่มเอิบตั้งใจไปจัดการบริจาคทรัพย์สมบัติเพื่อติดตามสมณะรูปนั้นแต่ยังไม่ทันจัดให้แล้วเสร็จก็เป็นลมปัจจุบันตายไปจิตขณะตายยังปิติอิ่มเอิบก็ไปอุบัติพลสวรรด์ผู้ฟังประท้วงทนไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เลิกทำคุณงามความดีกันเถอะเพราะไม่รู้ว่าจิตใจจะปีติหรือจะหมองเมื่อไหร่ท่านอาจารย์ก็ย้าว่ารักษาใจให้อยู่กับขณะปัจจุบันสิปัจจุบันเท่านั้นที่มีความหมายยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นมาจากปัจจุบันขณะนี้เอง ถ้าท่านปล่อยให้อดีตมีอิทธิพลครอบงำใจอยู่ท่านก็คงเป็นโพธิสัตว์อยู่อย่างนั้นแหละโพธิสัตว์ยังมีบุญและบาปแครเครากันอยู่แม้บุญจะมีมากกว่าบาปแต่ก็ยังไม่หมดบาปที่คอยถ่วงบัญชีให้ปิดงบดุลไม่ได้สักทีถ้าใจอยู่กับปัจจุบันฝึกฝนสติจนอารมณ์อะไรก็ตามที่กระเพื่มขึ้นมาเป็นศักดิ์แต่ว่า ท่านหวางมันและกระทําแต่สิ่งที่เป็นสาระเป็นของจริงของแท้เมื่อหวานแต่ของจริงของแท้ผลที่งอกในอนาคตย่อมดีแท้เป็นเสเบียงชัยคุ้มตัวให้รอดปลอดภัยเหมือนกับชายผู้นั้นเมื่อไปอุบัติบนสวรรค์แล้วก็ยิ่งตั้งหน้าตั้งตาสะสมคุณงามความดีให้เจเริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไป จนสำเร็จเป็นอรหันต์ถ้าร่างกายยังมีอยู่ไม่ตายวิบากเก่าๆที่ยังมีตกค้างอยู่ก็ตามมาให้ชดใช้เป็น ต, ต้นว่าพระองค์กุริมารเมื่อเป็นอรหันต์แล้วไปทางไหนก็ถูกว่างถูกปาท่านก็ปล่อยไปตามสภาพเพราะใจของท่านรู้เข้าใจตามความเป็นจริงอภัยอโหสิ ไม่ไปเก่อกรรมใหม่ให้เกิดวิบากเป็นภาระกดทวงจิตใจต่อไปธาตุขันธ์อันนี้เคยติดหนี้ใครอยู่ใครจะมาทวงจะมาทุบท้องก็ปล่อยให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อไรที่ธาตุขันธ์แปรปรวนแตกสลายไปก็จบกันจิตที่เป็นอิสระปลอดภัยจากการเกาะเกี่ยวลอยตัวเป็นอโหสิกรรม จบเกมกันไปคนใค้ไม่ว่าจะเป็นคนดีคนไม่ดีเคยมีธรรมไม่มีธรรมถ้าเข้าใจความสำคัญของขณะเดี๋ยวนี้ที่กาลังเป็นอยู่เปิดใจเป็นภาชนะรับความเป็นจริงโอกาสมีเต็มที่ด้วยกันทุกคนยิ่งนายวาระที่เจ็บป่วยยิ่งมีประโยชน์มากสมัยพุทธกาลก็มีพระภิกษุองค์หนึ่ง ผ่าเป็นโรคผิวหนังผู้พองไปทั่วร่างกายได้รับทุกขเวทนามากมายสบงจีวอเลเลอะไปด้วยน้ำหนองน้ำเหลืองเน่าเหม็นพระเนียนที่คอยช่วยเหลือท่านต่างแตกหนีไปหมดทิ้งให้ท่านอยู่แต่ผู้เดียววันนั้นร่างอันเน่าเฟะของพระภิกษุนี้ปรากฏในขายพระยานของพระพุทธเจ้า ท่านจึงเสด็จไปโรงไฟต้มน้ำบรรดาพระสงฆ์ในวัดทราบก็พากันมาช่วยพระพุทธเจ้ายกเตียงหามพระอ า, าพาธไปโรงไฟพระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระสงฆ์ช่วยกันเลื้องสบงจีวร น, นำไปซักด้วยน้ำร้อนแล้วพระองค์ทรงชำระล้างร่างที่เกลดกลางนั้นด้วยน้ำอุ่นจนสะ ร่างกายที่รุมราวด้วยทุกขเวทนาแสนสาหัสเมื่อได้รับการบริบาลก็เบาสบายขึ้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าร่างนี้ไม่นานก็จะทับถมลงกับแผ่นดินไม่มีวิญญาณเครื่องรับรู้ก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้หมดผู้สนใจพระภิกษุรูปนั้นได้ฟังพุทธวจนะจบลงจิตบรรลุอรหัตผล พร้อมๆกับสิ้นลมไปเราแต่ละคนก็มีโอกาสทองเต็มเปี่ยมเช่นเดียวกับภิกษุอาพาธรูปนั้นเพราะเรามีกายที่ป่วยไข้และมีใจที่รู้สุกรู้ทุกข์เช่นเดียวกับท่านเพียงแต่เราต้องมีกําลังใจที่จะพากเพียรไม่ละไม่ถอยเมื่อเพียรแล้วโปรดอย่าตั้งความหวังว่าใจต้องสงบ ลงรวมเป็นสมาธิคนส่วนมากปรปยึดว่าความสำเร็จคือการที่ใจลงรวมเป็นสมาธินิ่งสนิทต่อเนื่องกันไม่ใช่เช่นนั้นการฝึกใจคือการสร้างสติแห้รู้อยู่กับตัวคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดชั่วก็รู้ว่าคิดชั่วแล้วมองความคิดเหล่านั้นเหมือนกับว่า เป็นคนละส่วนคนละอา่านกันกับใจของเราอารมณ์ใดเกิดขึ้นให้รู้ว่าเราสวยอารมณ์อย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับร่างกายกินอาหารอย่าเผลอเพลิดเพลินจุกจี บ, จ บ, จ บ, จบตามความอร่อยเดี๋ยวหยิบอันนั้นเข้าปากหยิบอันนี้เข้าปากใจเราก็ทำนองเดียวกันถ้าไม่ฝึกสติจะเพลิดเพลินอร่อยไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง คิดฟุ้งซ่านต่อเนื่องไปไม่รู้จบใจที่ฝึกดีแล้วจะไม่กลิ้งครุกไปกับอารมณ์เช่นนั้นถ้าไม่มีสติความคิดอะไรเกิดขึ้นก็ยึดติดน่วงไว้ในใจทำนองเดียวกับในช่างเขียนแบบแปลนทำพิมพ์เขียวไว้ก่อนแล้วจึงลงมือก่อสร้างตามแบบพิมพ์ต่อไปท่านพระอาจารย์มหาบัวเล่าไว้ในหนังสือ ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระว่าเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่วัดบ้านหนองผือมีอุบาสิกาท่านหนึ่งมาเล่าเรื่องภาวนาของตัวเองถวายท่านว่าขณะนั่งภาวนาจิตโรมสงบแล้วเห็นกระแสจิตละเอียดอย่างยิ่งเป็นสายยาวเหียดพุ่งไปสู่ภายนอกก็สงสัย จึงกำหนดตามไปตามไปจนพบว่าสายนั้นไปจับจองที่เกิดอยู่ในท้องหลานสาวทั้งที่ตัวแก่ยังไม่ตายอุบาสิการักหลานคนนี้มากห่วงใยและติดต่อเกี่ยวข้องอยู่เสมอแก่ถามท่านอาจารย์มั่นว่าตนจะไปเกิดในท้องของหลานสาวหรือท่านอาจารย์พิจารณาอยู่ครู่หนึ่งแล้วอธิบายว่า เมื่อจิตรวมคราวต่อไปให้แกตรวจดูกระแสจิตให้ดีถ้ายังเห็นส่งออกไปภายนอกให้กำหนดจิตตัดด้วยปัญญาให้ขาดอย่าทำเพียงสักแต่ว่าทำนะถ้ากำหนดตัดไม่ขาดเวลาตายต้องไปเกิดในท้องหลานสาวแน่ แ, นแกกลับมาก็มากำหนดตามที่ท่านอาจารย์แนะนำพอจิตโรมลงสนิทเห็นกระแสจิตเด่นชัดอย่างเคย ก็กำหนดตัดด้วยปัญญาจนขาดกระเด็นไปคืนรุ่งขึ้นก็กำหนดดูอีกอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจว่าไม่ปรากฏมีอีกวันถัดไปจึงออกมาเล่าถวายท่านอาจารย์มัน่นเมื่ออุบาสิกากลับไปแล้วบรรดาพระทั้งหลายก็เอาเรื่องนี้มาวิพากวิจาร์และกลับเรียนถามท่านอาจารย์ท่านก็อธิบายว่า จิตนี้พิสดารเกินกว่าความรู้ความสามารถของคนธรรมดาจะตามรู้ตามรักษาได้โดยมิให้เป็นภัยแก่ตัวผู้เป็นเจ้าของขณะเจ้าตัวบอกเบื่อไม่อยากเกิดอีกแล้วเพียงใจส่งไปคิดห่วงยายหลานเท่านั้นตัวยังไม่ทันตายเลยกระแสจิตขโมยไปจับจองท้องหลานเป็นที่เกิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องด้วย ถ้าไม่มีหลักใจทางภาวนาจะไม่มีทางรู้วิถีทางเดินของใจได้เลยยิ่งเวลาเจ็บไข้สติปัญญายิ่งสําคัญมากในการตามรู้รักษาจิตตลอดจนต้านทานทุกขเวทนาไม่ให้มาทับจิตในเวลาจนตัวโปรดลองคิดดูวันทั้งวันใจของเราที่ไม่มีสติกํากับจะไปดาวบ้านจัดสรรกล่าวคือ ไปจับจองท้องใครตอกท้องใครเป็นที่เกิดเอาไว้ที่ไหนเราบ้างไปดาวเอาไว้ในท้องคนก็ยังดีเกิดไปดาวไว้ในท้องสัตว์เดรัจฉานเข้าคงลำบากหน่อยหรือจับพระจับผูเกิดอุบัติเหตุให้หล่นลงไปอยู่ในนรกก็ยังได้เพราะเหตุนี้แหละท่านจึงพร่ำสอนให้มันฝึกใจของตนอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกเพื่อปิดกั้น โอกาสไม่พึงประสงค์เหล่านั้นการที่อุบาสิกากำหนดปัญญาตัดกระแสจิตของท่านขาดเป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นหนึ่งชาติหนึ่งพบเท่านั้นซึ่งความจริงใจของเราไม่ได้ซัดสายไปสร้างพิมพ์เขียวไว้แต่เพียงชาติเดียวเมื่อไรที่คิดวุ่นวายอยู่ทุกเวลานาทีด้วยความรักผูกพันก็เก่ดภาวะพพคิดด้วยความผลักไสไม่พอใจ ก็ก่อวิภาวะพบกล่าวคือไปจับจองด้วยใจต่อต้านเกลียดชังแปะติดอยู่ตรงนั้นเตรียมเอาไว้แล้วที่ร้ายที่สุดคือความปรุงคิดขณะที่ลมหายใจกำลังดับสิ้นไปอารมณ์อั น, นั้นแหละคือวัวปากคอกที่เกี่ยวพันใจของเราให้กลิ้งตามไปเกิดถ้าไม่ฝึกอบรมใจเอาไว้เราจะไปรู้หรือว่า ความเคยชินไหนอารมณ์ไหนที่มีสะสมเป็นประจุ ก, กรรมอยู่ในจิตรไรสํานึกที่สติยังลงไปไม่ถึงจะปลิวขึ้นมาแจ็คพอตเราเข้าถ้าอารมณ์ความปรุงคิดของเราเป็นเหมือนอย่างกับหนังที่ใช้ใจที่ขาดสติไม่มีสมาธิจะสงบนิ่งไม่เป็นต้องฟุง้งปรุงซัดสายเป็นนิวร์อยู่ตลอดเวลา เปรียบเหมือนมีหนังกลางแปลงฉายห้าเรื่องสิบเรื่องให้เราดูพร้อมๆกันเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าใจกำลังคิดเกี่ยวพันกับอะไรอยู่ไปดาวบ้านจัดสรรไว้ตรงไหนพา ร, รมหายใจดับก็เหมือนหนังที่ใจกำลังจดจ่ออยู่ฟิลม์มขาดรูปนั้นก็เลยฉายค้างอยู่อารมณ์ที่เกี่ยวพันใจเราอยู่ขณะหัวเลี้ยวหัวต่อ ก็คือคติพบที่เราไปอุบัตินั่นเอง